Thank you. น้ำตอนเย็นเรากรวดน้ำนนโดยที่ไม่ได้ใช้น้ำกรวดแต่ใช้ใจของเราเพื่อน้อมนึกถึงสิ่งดีงามที่เ อ, อเฟ อ, เ, ฟ อ, เ, กอเกอร์กุลเราเมื่อเราลึกแล้วเราก็แท่ ความปรารถนาดีหรือบุญกุศลที่เราได้บําเพ็ญไปให้จากสิ่งเหล่านั้นนะทีจริงก็ไม่ได้ตอดตรงเฉพาะคนที่มีบุญคุณกับเราแล้วคนที่มุ่งร้ายกับเรานะเราก็แผ่ไปใหนะ้ที่มีข้อความว่าเนี่ยผู้เป็นกลางผู้จ้องผ่านผู้จ้องผลาญนี่คือผู้มุ่งร้ายกับเรา แล้วก็แผ่ไปให้เขาเหมือนกันความปรารถนาดีไม่ควรจะจอดจงแต่เฉพาะคนที่ทําดีกับเราคนที่ทำไม่ดีกับเรานะเราก็ทําดีกับเขาเหมือนกันอันนี้เป็นวิสังข์ชาวพุทธการทํำดีกับคนที่เขาดีกับเรานี่มันก็ไม่ใช่เรื่องยากนะ แต่สิ่งที่ควรทํามากกว่านั้นคือว่าแม้ไม่ดีกับเราเราก็อย่างน้อยก็น้อมใจนึกแผ่เมตตาหรือบุญกุศลให้กับเขาซึ่งที่สุดมันก็ดีกับเราด้วยนะก็ทําให้ใจเราไม่มีความขุ่นเคืองเป็นการบรรเทาความโกรธความเกลียดออกไปจากใจสิ่งที่ตามมาคือความสงบเย็นความเบา เดียวกันก็มีการเหมือนกับตั้งจิตปณิธา น, นย้ำเตือนวาอ่าชีวิตนี้เนี่ยเราก็จะอุทิศให้กับการทำความดีและทำความดีที่สำคัญคือการปกป้องรักษาใจของเราจะมีข้อความตอนหนึ่งนะ โอกาสจะพึงมีแก่หมู่มานสิ้นทั้งหลายเป็นช่องประฐุสรายทํำลายล้างความเพียรจมแล้วก็ตอนท้าวนะอนคาหมูมานอยาได้ช่องนะด้วยเดชบุญทั้งสิบป้องโอกาสจะพึงมีแก่หมูมารมันหมายความว่าอย่างไรนะโอกาสจะมีแก่หมู่มานสิ้นทั้งหลายก็เลยนึงถึงว่า จะได้มีสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นจะได้มีมีสิ่งที่มาย่ยยุเราให้เกิดความโกรธยะได้มีสิ่งมาย่วยวนให้เราเกิดความโลภความความหลงนะหรือว่ามีราคะอันนั้นยังไม่สำคัญนะเท่ากับ ว, ว่าเราปิดกัน้นไม่ให้มาเนี่ยเข้ามา เล่นงานจิตใจเราหมายความว่าถึงแม้จะมีสิ่งมายั่วยุให้โกรธยหยาวยวนให้โลกให้เกิดราคะนะอันนั้นก็ยังไม่สำคัญทั้งกว่าเรารักษาใจของเราได้ดีแค่ไหนการปิดโอกาสไม่ให้หมู่มาเนี่ยเข้ามาเล่นงานรังควานจิตใจเรา หรือว่าทำให้ชื่อของเราเนี่ยตกต่มย่ำแย่เนี่ยมันคือการทำที่ใจของเราไม่ใช่เรียกร้องวิงบอลให้เหตุการณ์ร้ายๆอย่าได้เกิดกับเราไอ้คะว่าเป็นช่องปทุสรายเนี่ยนะทำลายล้างความเพียนจมเนี่ยไอย้ช่องนั้นอยู่ที่ไหนนะช่องนั้นมันถ้าจะมีก็อยู่ที่ใจเรานั่นแหละ ก็คือใจเราเปิดช่องให้ตัวมานนะกิเลสตัณหาเนี่ยเข้ามาลุกรานรังควานจิตใจของเร า, าชาพุทธที่เข้าใจธรรมะเนี่ยนะจะไม่ได้วิงวอร้องขอให้มีความมั่งมีสีสุขแต่ว่าจะให้ความสำคัญ กับการดูแลรักษาใจมากกว่าเพราะว่าจะสุขหรือทุกเนี่ยมันก็อยู่ที่ใจของเราไงอยู่ที่ใจของเรามากกว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมภายนอกและเมื่อเราเห็นความสำคัญของการปกป้อง ปัดป้องไม่ให้มารเข้ามาราังควานจิตใจของเราหรือว่าไม่เปิดช่องให้มารหรือความทุกข์เข้ามาเล่นงานจิตใจเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือสตินะพรเจ้าเปรียบสติเหมือนกับทหารยามนะที่เฝ้าเมือง สมัยก่อนเนี่ยเมืองมันก็มีกำแพงอะ น, นะกำแพงนี่ก็เป็นจุดแข็งของเมืองแต่ทุกเมืองก็ต้องมีประตูอ่าประตูเนี่ยคือจุดอ่อนของเมืองเพราะว่าสาตัตว์ตัวจะเข้ามาได้ก็เข้ามาได้สะดวกที่สุดก็คือทางประตูนี่แหละพอประตูนี่มันก็มีเปิดปิดนะ มันไม่ได้ปิดตลอดเหมือนกำแพงนะมันก็มีเปิดต้องมีคนเข้าคนออกและนั่นแหละคือช่องว่างจุดอ่อนของเมืองแต่ว่าถ้าเมืองนั้นเนี่ยมีทหารยามเฝ้าประตูเป็นทหารที่เข้มแข็งใส่ใจทำงานไม่ละทิ้งหน้าที่มีปฏิพานนะมี สายตาฉับไวก็จะช่วยป้องกันไม่ให้ศัตรูเนี่ยเข้ามาสร้างปัญหาหรือว่ามาเผาเมืองได้เมืองหรือนครที่ว่านี้มันก็อยู่ข้างในเรานะเราเรียกว่าจิตตะนคร น, นะจิตตะนครเนี่ยนะต้องมีสติเนี่ยคอยรักษา สติที่เข้มแข็งมันคงก็จะไม่เปิดช่องให้ศัตรูเนี่ยเข้ามาทำลายเมืองได้เั้นถ้าเกิดเราต้องการปรารถนาให้เรามีความสุขกลายจากความทุกข์ไม่มีความรุ่มร้อนในใจจำเป็นที่ต้องมีสตินะรักษาใจให้ได้สติแปลว่าอะไรนะ มันทำงานอย่างไรสเตยก็คือความะระลึกได้ความะระลึกไดนะ้ในสิ่งที่ผ่านไปแล้วก็ตามหรือว่าเพิ่งผ่านไปหยกหยกรวมทั้งเป็นสิ่งที่ช่วยให้ติดเราเนี่ยไปกาหนดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะได้อย่างมั่นคง ถ้าเราลึกได้ไวก็ถือว่ามีสติดีนะการสติที่ดีต้องมีความไวจากคะแนนดวยการสติก็ทำหน้าที่อีกอย่าง น, นึ่งคือผูกจิตสตินี่เป็นเครื่องผูกจิตผูกจิตได้กับอะไรผูกจิตได้กับงานที่เรากำลังทำอยู่ก็ได้หรือผูกจิตได้กับเสียงที่กำลังได้ยินเนี่ยไอ้เสียงที่ได้ยินเนี่ยนะมันต้องฟังด้วยหูแต่ถึงแม้มีหูเนี่ยแต่ถ้าไม่มีสตินะ ฟังยังไงก็ไม่ได้ยินนะเพราะว่าใจลอยนะใจลอยคิดไปโน่นคิดไปนี่ข อ, อนิสติเนะี่ยมันจะทำหน้าที่ไปผูกจิตเราเนี่ยให้มาอยู่กับเสียงเมื่อสติผูกจิตอยู่กับเสียงนะก็จะได้ยินเสียงเข้าใจความหมายนะแต่ถ้าไม่มีสตินะใจก็ลอยนะลงไปนั่นลอยไปนี่นะอันนี้ก็เรียกว่า ฟังอะไรก็ไม่รู้เรื่องเผลอๆก็นั่งหลับไปเลยนะแต่ที น, นี้ถ้าเกิดว่าเรามีสติดีเนี่ยฟังอะไรเราก็ตามได้ยินอ่านหนังสือสติก็จะผูกจิตไว้เราแวดอยู่กับหนังสือเราก็จะอ่านได้รู้เรื่องอ่านได้ต่อเนื่องนะสติทํำให้จิตเนี่ยมันอยู่กับปัจจุบันนะ จะเรียกว่าสติเป็นเครื่องผูกจิตไว้อยู่กับปัจจุบันก็ไดนะ้ปัจจุบันนี่ก็คือสิ่งที่กำลังทํนะหรือว่าสิ่งที่กำลังสนใจอยู่อันนี้ผูกไปนานๆนะมันก็จะเกิดความตั้งมั่นต่อเนื่องอันนี้ก็เรียกว่าสมาธิอ่างานะสตินี่มักจะนำไปสู่สมาธิเราจะทํางานให้สำเร็จก็ต้องมีสติจะเดินทางมาถึงนี่นะต้องอาศัยสตินะ ขับรถไม่มีสติก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุไม่มาไม่ถึงหรือว่าอาจจะเป็นเพราะไปหลงอยู่กับสิ่งน่าสนใจข้างทางอาจจะมาวัดป่าสุโกโตแต่ว่าอาจเจอสิ่งที่เย้าโยวนใจอยู่ข้างทางแวะสักหน่อยคนที่บางคนอาจจะ ชอบความบันเทิงล ง, ลงลงติดล่ำติดเล่าพอผ่าล่าเล่าเอาแว้บสักหน่อยองนี้ก็มาไม่ถึงเหมือนกันนะเรียกว่าความหลงเนี่ยมันครอบงำจิตจะถ้ามีสติดีเนี่ยจิตเราก็จะจดจ่ออยู่กับจุดหมายที่เราตั้งเอาไว้ก็ทำให้มาถึงวัดป่าสุกโตได้ อย่างที่ตั้งใจสติเนี่ยยังมีความสมัยอย่างนี้คือทำให้เรารู้ทันอารมณ์และความคิดที่เกิดขึ้นนั่งฟังคำบรรยายอยู่เนี่ยใจมันเผลอแว๊บไปไปที่บ้านนึกถึงลูกนึกถึงงานถ้าสติไว้นะมันทาให้เรา รู้ทันรู้ตัวว่าตอนนี้ใจเผลอไปแล้วเท่านี้แหละนะไอความฟุ้งซ่านมันก็จะหายไปจิตก็จะกลับมาอยู่ที่ศาลานี้ฟังคำบรรยายได้อย่างต่อนเนื่องวันในสติเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญมากนะสำหรับการทำให้ชีงเราเนี่ยบรรลุถึงจุดหมายที่วางเอาไว้ แ้ที่สาคัญคือมันช่วยบรรเทาความทุกข์ไปจากใจเราด้าดวยคนเราเนี่ยทุกวันเนี่ยทุกข์เพราะความคิดเนี่ยเยอะนะแม้ว่ากายสบายนะแต่ใจเป็นทุกข์เพราะความคิดคิดโน่นคิดนี่และคิดแต่ละเรื่องก็ล้วนแต่ทำให้ไม่สบายใจเกิดความทุกข์คิดบางเรื่องก็ทำให้โกรธบางเรื่องก็ทำให้เศร้า บางเรื่องก็ทําให้น้อยเนื้อต่ําใจบางเรื่องก็ทําให้เกิดความวิตกกังวลซึ่งส่วนใหญ่มันก็หนีไม่พ้นเรื่องคิดไปอดีตบ้างลอยไปอนาคตบ้างเสร็จ แ, แล้วก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาก็จมอยู่ในอารมณ์นั้นตกอยู่ในกับดักแห่งอารมณ์เชื่อว่าหลายคนนะก็มีปัญหานี้นะาจึงมาที่วัดป่าสุโกโตเพื่อมาปฏิบัติธรรม ที่จริงความคิดมันมีประโยชน์นะความคิดมีประโยชน์ไอ้ที่เรามานี่ก็เพราะความคิดมันพามาคำนวณดูแล้วนะระหว่างผลดีที่มากับผลเสียที่จะอาจจะเกิดขึ้นคิดดูแล้วนะมาที่นี่น่าจะได้ประโยชน์มากกว่าถึงแม้ว่าจะต้องพักงานห้าวันเจ็ดวันนะแต่ว่าประโยชน์ที่ได้เนี่ยมันมากกว่า ถึงแม้จะมีงานค้างๆหรืองานสะสมในระหว่างที่เรามาปฏิบัติธรรมที่นี่กลับไปก็คิดว่าคงจะเคลียร์งานได้อะเราก็มาอันนี้เราใช้ความคิดเพื่อตัดสินใจมาที่นี่ความคิดเนี่ยนะมันมีประโยชน์ถ้าเราใช้มันนะแต่ถ้าเรามันใช้เราเนี่ยอาจจะเกิดโทษได้ความคิดที่มันใช้เราตอนไหนบ้างนะ อ่าที่เกิดกับหลายคนก็คือตอนจะนอนนะตอนจะนอนเนี่ยนอนไม่หลับเพราะอะไรเพราะความคิดมันกระตุ้นให้เรานะตื่นกระตุ้นให้เราเนี่ยพยายามคิดสารพัดนะเราอยากจะนอนแล้วแต่ความคิดบอกว่าขอคิดต่อขอคิดอีกหน่อยนะขอคิดอีกหน่อยแล้วเราก็ยอมนะเราก็เลยคิดไปต่อเนื่องสารพัด อยากจะหลับแต่ว่าหากข้ามใจไม่ได้เพราะวางความคิดไม่เป็นคนสมัยนี้คิดเก่งคิดไวคิดเร็วคิดได้นานชาวบ้านเนี่ยนะเขาคิดได้ไม่นานเหมือนเรานะจะ้ะให้ไปขุดดินนะใช้แรงเนี่ยเขาทำได้นานกว่าเราแต่ถ้าจะให้คิดเนี่ยเขาคิดได้ไม่นานไม่อึดเหมือนเราคนในเมือง เพราะว่าเราถูกฝึกมาให้คิดเก่งคิดนานคิดไวคิดได้อึดแต่ปัญหาคือว่าหยุดคิดไม่เป็นวางความคิดไม่ได้แลวมันก็คิดตะพื้นตะเพินคิดอย่างไรคิดไรทางสุดท้ายก็เอาความทุกมาสมมารุมมาเร่งงานจิตใจหรือบางทีก็เปิดช่องให้ใจเนี่ยเปิดช่องให้มาเนี่ยเข้ามา พอพอคิดไปคิดมาก็เกิดความโลภมันเกิดโทสะมันเกิดราคะมันเกิดทยาบาดอันนี้แหละแปลว่าเปิดช่องให้มารเนี่ยเข้ามาแล้วแล้วใครทุกข์เราทุกข์เองคนสมัยนี้นะเหมือนกับเรียนบังคับเครื่องบินให้บินขึ้นฟ้านะแต่ว่า ไม่รู้จักวิธีเอาเครื่องบินเนี่ยล่อนลงดินเครื่องบินเนี่ยถ้าบินขึ้นฟ้านะแต่ว่าเอาลงดินไม่ได้นี่นะมันก็อันตรายนะคิดเก่งแต่ว่าวางความคิดไม่ได้ก็เหมือนกันแหละปีนต้นไม้เก่งแต่ว่าลงไม่ได้ผูกเงื่อนไว้เก่งแต่ว่าแก้เงื่อนไม่เป็น อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนสมัยนี้นี่เพราะอะไรเพราะว่าไม่รู้ทันความคิดแต่ถ้ามีสตินะไม่ทำให้เรารู้ทันความคิดแล้วก็รู้จักวางถึงเวลาจะนอนอ่ะความคิดมันพาใจฟุ้งไปอ่ะรู้ทันวางถึงเวลาจะพักเราก็สามารถจะพักจิตได้เดี๋ยวนี้พักไม่ได้เลยจิตมันคิดตลอดเวลา นี่เป็นปัญหาหนึ่งของคนสมัยนี้ปัญหาอยญ่เนื้คือว่าความคิดกับอารมณ์มันไปมันไม่ได้ไปด้วยกันสังเกตมาหลายคนเนี่ยรู้นะว่าทําอย่างนี้ไม่ดีแต่ห้ามใจไม่ได้หลายคนก็รู้นะเล่าบุหรี่ไม่ดีแต่ห้ามใจไม่ได้มีกิ๊กมันไม่ดีนะ ทำให้ครบอบครัวแตกแยกแต่ก็ห้ามใจไม่ได้มันมีสำนวนว่าเนี่ยดีชั่วรู้หมดแต่อดใจไม่ได้นะนี่ก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นคนสมัยนี้มากบางอย่างมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องผิดศีลธรรมนะมันไม่เกี่ยวกับใบมุกเช่นน้ำหนักเกินจำเป็นต้องลดน้ำหนักได้แล้วนะไขมันมันเยอะ ในเส้นเลือดน้ำมันก็น้ำตาลก็เยอะรู้ว่ากินน้ําตาลนะกินน้ําอดลมไม่ดีกินของหวานไม่ดีเพราะอ้วนมากไปแล้วรู้แต่ห้ามใจไม่ได้บางคนเนี่ยนะไปตรวจสุขภาพโอ้ตัหนักเลยนะว่าโอ้เราต้องลดแล้วนะคุมอาหารได้แล้วนะ ตั้งใจแล้วนะว่าต่อไปนี้ฉันจ ะ, ะจะไม่กินน้ำอัดลมเยอะจะไม่กินพวกช็อกโกแลตนะหรือว่าไอติมมากของหวานก็จะกินให้น้อยลงตั้งใจตอนที่เห็นรายงานนะของหมอไปตรวจสุขภาพหมอหมอก็แนะนำเนี่ยเอาตัวเอาเอาข้อมูลมาดูนะค่าน้ำค่าน้าตาลค่าไขามันนะตั้งใจเลยนะว่าต่อไปนี้เนี่ยฉันจะ กินข้าวให้เหลือสักสองมื้อนะจันจะงดอาหารพวกเนื้อนมไข่น้ำตาลแต่พอเจออาหารมันวางต่อหน้าหรือว่าเจอเข้าไปตลาดเจอช็อกโกแลตนะเจอไอติมเนี่ยห้ามใจไม่ได้แล้วตรงก็ไปซื้อนะแล้วก็กินอย่างเมามันนะอันนี้ก็เกิดกับหลายคนนะ คือเรียกว่ามันเกิดความขัดแย้งกันระหว่างสมองกับหัวใจหรือว่าเหตุผลกับอารมณ์เหตุผลมันบอกว่าอย่างนี้ไม่ดีนะแต่ว่าใจมันห้ามไม่ได้อันนี้เป็นกับคนมากมายรวมทั้งแม้แต่เวลาทํางานเนี่ยบางคนซื้อหุ้นนะเวลาซื้อหุ้นเนี่ยนะก็วางแผนอย่างดีนะว่า ถ้าหากว่าหุ้นราคาตกไม่เกิน 10% หรือไม่เกิน 15% ก็จะยังไม่ขายเพราะคิดว่าไอ้เรื่องหุ้นราคาตกนี่มันธรรมดาเดี๋ยวมันก็ขึ้นนะวางแผนไว้อย่างดีนะถ้าหุ้นราคาตกไม่เกิน15ไม่เกิน 10% นะจะไม่เทขายแต่พอวันดีคืนดีเห็นหุ้นราคาตกแค่ 5% นั่นนะ ตื่นตกใจไอ้ที่คิดไว้ว่าเนี่ยถ้าตกไม่ถึงฮะไม่ถึงสิเปอร์เซนไม่ขายนี่มันลืมหมดเลยนะเทขายทันทีเลยเมื่อเห็นคุณมันตกแค่ห้าเปอร์เซ็นตพอขายไปแล้วถึงค่อยมานึกได้ให้เราไม่น่าเลยนะนะไม่น่าเลยนะหลายคนมักจะพูดแบบนี้แต่ตอนนั้นมันตกใจไงนะตอนนั้นเหตุผลเนี่ยมันไม่เหลือแล้วนะไอ้ที่คิดไว้ว่าจะทำโน่นทํานี่ นะบางคนคิดว่าจะออกกําลังกายทุกวันนะเพื่อรักษาสุขภาพหรือจะนั่งสมาธิทุกวันเพื่อให้จิตมีความสุขมีความสงบนะตั้งใจว่าจะทำทุกวันวันละสิบนาทีครึ่งชั่วโมงแต่พอเห็นโทรศัพท์มือถือนะหรือว่าเห็นโทรทัศน์มีรายการดีๆมันท้ามใจไม่ได้ ไอ้ที่คิดไว้ว่าเดี๋ยวจะไปออกกำลังกายหรืจะไปวิ่งเนี่ยหรือไปทำสมาธิมันเลิกทันทีเลยที่ น, นี้เรียกว่าดีดชั่วลุ้หมดแต่อดใจไม่ได้ล้วคนเราเนี่ยชีวิตจะมีความสุขแล้วก็จะราบรื่นมากถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะทำให้สมองกับหัวใจเนี่ยมันเชื่อมกันได้มันไปด้วยกันนะเมื่อรู้ว่าดีอะไรดีก็สามารถเช่นน้อมใจหรือโน้มน้าวใจให้ทา อย่างที่คิดไว้อย่างที่ตั้งใจไว้ได้แต่ส่วนใหญ่ก็มีปัญหาเรื่องนี้แหละไอ้ที่คิดไว้ว่าจะทํามันทําไม่ได้เพราะใจมันอ่อนใจมันพ่ายแพ้ต่อกิเลสนี่ยนี่เลยว่ามันเปิดช่องให้มารเข้ามาเพราะอะไรเพราะขาดสตินะถ้ามีสติเนี่ยมันจะช่วยทําให้จิตใจเราไม่อ่อนแอ ในด้านหนึงมันช่วยทำให้เราปล่อยวางความคิดได้อย่างที่พูดไปนะแต่อีกด้านหนึ่งมาทําให้จิตใจเราเข้มแข็งขึ้น<ม>นะเห็นเห็นเล่าบุหรี่ตั้งใจว่าจะเลิกนะถ้าเรามีสตินัเราก็จะไม่แพ้แพ้ต่อกิเลส น, นะก็เมินมันตั้งใจว่าจะควบคุมอาหารนะนำอารมณ์ช็อกโกแลตของหวานก็จะกินให้น้อยลงนะพอเจอ นะในตลาดในห้างสติถ้ามีนะมันก็จะทำให้เราไม่ใจอ่อนเนะเวลาหุ้นตกอ่ามันตกไปห้าเปอร์เซ็นอ่เราก็มีสตินะไม่ตื่นตกใจง่ายๆรอดูสักพักก่อนนะพอะา่าเดตวางแผนเอาไว้ไว้แล้ววันถ้ามันตกไม่เกินสิบเปอร์เซ็นก็ไม่ขายนะไอความตื่นตกใจเนี่ย มันก็ไม่มาเล่นงานนะจนทำให้เราทำในสิ่งที่เราเคยตั้งใจว่าจะไม่ทำยันสติเนี่ยนะสำหรับคนที่ใช้ชีวิตทางโลกเนี่ยมันมันช่วยได้มากเลยมันช่วยทำให้เราเนี่ยนะรู้จักวางความคิดเป็นนะและเวลาคิดก็คิดอย่างมีทิศทางนะเหมือนกับว่ามีหางเสือไม่ได้คิดสะเปลสะปะนะตั้งใจว่าจหนังสืออ่ะ เดี๋ยคิดไปเรื่องโน้นเดี๋ยวคิดไปเรื่องนั่นอีกแล้วหรือแม้แต่คิดเรื่องงานเรื่องการคิดไปคิดมามันคิดวอคิดคิดวอคิดวนนะไม่จบสักทีนะเคยเป็นมาคิดวกวนคิดซ้ําคิดซากเนี่ยอันนี้เลยว่ามันเหมือนกับเรือที่มันไม่มีหางเสือมก็เลยมันก็เลยว่ายมันก็เลยแล่นวนอยู่ในรอบสะหรือว่าในอ่างหรือว่าผายเรือในอ่างเนี่ยไม่มีหางเสือ ถ้ามีสติปุ๊บนี่การคิดมันจะมีทิศทางแล้วคิดแล้วมันจบเป็นมันวางได้ไม่ใช่คิดแล้วจบไม่เป็นเอาแต่กังวลอยู่นั่นแหละตัดสินใจแล้วว่าจะขายที่ตัดสินใจแล้วว่าจ ะ, ะซื้อรถยี่ห้ อ, อนี้รุ่นนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวก็คิดอีกแล้วนะคิดไม่จบนะทั้งที่ตัดสินแล้วว่าจะว่าจะทำอย่างนี้นะถ้ามีสติ ป, ปุ๊บนี่มันวางได้ และขณะเดีวยวกันเนี่ยเวลามันมีสิ่งยั่วยุนที่ทําให้ใจเราเขวะนะทำท่าจะไม่ทําอย่างที่ตั้งใจไว้ทําท่าจะไม่ทําอย่างที่เราคิดว่ามันดีพอมีสติปุ๊บนี่มันใจมันจะไม่เควะนะใจมันจะตั้งมั่นมันจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับเหตุผลคิดว่าอะไรดีใจมันก็จะน้อมตามนะไม่ใช่สมองว่าทางหนึง่งนะ อารมณ์มันไปอีกทางหนึ่งอารมณ์มันมีประโยชน์นะถ้าว่าเราฝึกมันฝึกให้มันเชื่องนะมันก็จะประสานกับเหตุผลนะจะไม่คอยหลอกล่อให้เหตุผลมันเขวยหรือว่าทำให้ใจมันตเตลิดเปิดเปิงไปอันนี้คือประโยชน์นะเป็นประโยชน์หรือว่าเบื้องต้นเลยนะ แต่แม้ก็ น, นั้นเนี่ยแม้มันจะเป็นแค่เบื้องต้นนะแต่ช่วยได้เยอะเลยถ้ามีถ้ามีสติแล้วใช้สติแบบนี้เนี่ยนะาการที่จะเป็นโรค ก, กลุ่มอกกุ้มใจนะหรือว่าโกรธง่ายความดันขึ้นเร็วหรือว่าสุขภาพย่ำแย่เพราะว่าพ่แพ้ต่อกิเลสหรือว่าชีวิตครอบครัวทําท่าจะพังเพราะว่านะปล่อยใจไปตาม ราคาที่มันรบ ก, กวนางความเนี่ยมันก็จะไม่เป็นอย่างนั้นแต่นั่นก็เป็นแค่ประโยชน์เบื้องต้นนะประโยชน์ที่มากกว่านั้นเนี่ยชนิดที่ว่าช่วยทําให้พ้นทุกได้เลยเนี่ยนะอันนี้เนี่ยก็มีแล้วก็สําคัญด้วยอุตตรตัศนาสติเนี่ยนะโดยสติปัฏฐานนะมันเป็นหนทางทางตรงทางเอกสู่ความพ้นทุก แม้คนที่ไม่ประสงค์จะใช้ชีวิตทางโลกนะมุ่งชีวิตทางธรรมเนี่ยสติก็สำคัญนะเพราะสติมันช่วยทำให้เกิดปัญญานะที่จะทำให้เข้าใจนะเข้าใจสัจธรรมนะอริยสัจสี่ที่เราเพิ่งส่วดเมื่อสักครู่เนี่ยผู้ใดนะผู้ใดมีศรัทธานะหรือว่ามีระลึกถึงพระผู้ปธรรมประสงค์แล้วเนี่ยเห็นอริยสัจสี่นะ ซึ่งเป็นทางแห่งความพ้นทุกข์เนี่ยซึ่งเป็นสิ่งสําคัญที่ช่วยทําให้พ้นทุกข์ได้เนี่ยนะไอการที่เราจะเข้าใจลิสัตซีอย่างลึกซึ้งเนี่ยจนทําให้เห็นทางสู่ความพ้นทุกข์นี้ก็ต้องอาศัยสติมากทีเดียวนยีนอกจากสัมมาทิฏฐิก็ต้องมีสัมมาสตินีที่จะช่วยเป็นเครื่องมือที่จะพาเราสู่ความพ้นทุกข์ ดังนไม่ว่าจะเป็นคนที่มุ่งความสำเร็จทางโลกหรือมุ่งอุดมคติในทางธรรมเนี่ยอาจจะทิ้งจะลืมจะมองข้ามสติไม่ได้เลยอันที่พวกเรามาที่นี่นะเพื่อจะมาเจริญสติมาฝึกสติให้เจริญ ง, ง, งอกงามในใจเราเนี่ยมันมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยนะแล้วก็หวังว่าพวกเราจะอายอมทุ่มเทนะทำความเพียรเพื่อ ให้สติของเราได้เจริญงอกงามในช่วงเจ็ดปันจากนี้ไปค่ำนี้ก็พูดกันเท่านี้นะครับค่ะ